หาความสุขจากการทำอะไรดีๆให้กับคนที่ทำแย่ๆกับคุณอยู่กับใครบางคนที่ทำแย่ๆกับคุณทุกวันคุณจะรู้สึกได้ถึงความทุกข์ที่พอกพูนขึ้นกระทั่งวันเดือนปีผ่านไปเชื่องช้าและอดถามตัวเองบ่อยๆไม่ได้ว่าเมื่อไรจะพ้นวันคืนนั้นยืดเยื้อยาวนานอย่างนี้ไปสถิถทีแต่ถ้าอยู่กับใครบางคน ที่ดีกับคุณทุกวันคุณจะรู้สึกได้ถึงความสุขที่สะสมเพิ่มกระทั่งวันเดือนปีดูผ่านเร็วกว่าที่เคยแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาเป็นวูบวูว่าวันหนึ่งจะต้องผ่านช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้ไปหรือเปล่าปัญหาคือไม่ค่อยมีใครคิดและทำดีกับคนอื่นต้องรอคนอื่นมาทำดีกับตัวเองก่อนเกือบทั้งนั้น คำถามใหญ่ในชีวิตจึงเป็นว่าจริงๆแล้วคนรอใครเริ่มก่อนดีเป็นคนได้ไหมความยุติธรรมในโลกนี้มีอยู่ว่าถ้าคุณคิดและทำจริงอย่างต่อเนื่องคุณจะได้รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนแต่สิ่งที่ดูเหมือนไม่ยุติธรรมมีอยู่ว่าการตอบแทนมักไม่มาในทันทีทันใดต้องรีรอ เหมือนไปเข้าคิวต่อแถวอยู่ถึงไหนก็ไม่รู้คุณจําเป็นต้องให้กําลังใจตัวเองหาความยุติธรรมที่เกิดขึ้นทันทีจากใจตัวเองเช่นสังเกตว่าพูดปลอบคนอื่นต่อหน้ารู้สึกดีกว่าตอนซ้ำเติมเข้ารับหลังเพียงใดพูดคำว่าไม่เป็นไรแล้วโล่งอกกว่าตอนพูดคำว่าจาไว้นะแค่ไหน สังเกตใจตัวเองไปสังเกตใจตัวเองมาจะตาสว่างขึ้นเองว่าแม้แต่คนที่ทำแย่ๆกับคุณคุณก็หาความสุขจากการทำอะไรดีๆให้เขาได้หลังจากหาความยุติธรรมจากใจตัวเองพักหนึ่งความสุขที่ค่อยๆเ อ, อ่ขึ้นวันต่อวันจะช่วยให้คุณได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความยุติธรรมจริงๆคือทากับคนอื่นอย่างไรที่แท้ ทั้งกับใจตัวเองอย่างนั้นบางทีคนอื่นไม่รู้ตัวด้วซ้ำว่าคุณดีหรือร้ายกับเขาแต่คุณเองรู้อยู่กับใจได้กับใจตนเสมอแล้ว